ธรรมสวัสดีย้มเช้าย็งไงตื่นเช้าขึ้นมาเราปลดชื่นไหมหรือว่างัวเงียอยู่ตื่นเช้าขึ้นมากายมันก็ดูนะกายมันเป็นแบบไหนใจเป็นแบบไหนนะบงวันนะ ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะบางวันตื่นขึ้นมาก็อ่อนเพรียวนะใจบ า, บางวันก็ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นนะบางวันตื่นขึ้นมาก็อ่อนเพรียอ <c> อ <oughs> บางทีมันไม่แน่นอนนะใช่ไหมตั้งแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยเรารู้ตัวนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็รู้ตัวะ่ะอื้ มันเป็นแบบไหนไม่สำคัญนะสำคัญว่าเรารู้แล้วเราถูกมันครอบงำไหมเนี่ยส่วนใหญ่สดชื่นมันก็โอเคมันก็กระปี้กระเป๋านะตื่นกายตื่นใจก็พร้อมขึ้นมาล้างหน้าล้างตามาทาวัดนะแต่ถ้าวันไหนงวงเงียนะนร่างกายอ่อนเพียก็ดีหรือว่าจิตใจงวงเงียก็ดีนะ อันนั้นมันต้องเรียกว่าบางครั้งบางคนก็ต้องฝืนด้วนะฝืนขึ้นมาฝืนตื่นขึ้นมาฝืนมาทำวัดนะก็ยังถือว่าดีนะเรายังข่มข่มความเกียดค้านบ้างเดี๋ยวดว่าบางทีก็ปุกนะร่างกายมันอาจจะอ่อนเพลียบ้างนะแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาทำนั่นทำนี่นะก็สังเกตไหมอย่างตอนเนี้ย กัตอนตื่นวางวันนะไม่เหมือนกันนะพอเรามาสวดมนต์ไหว้พระมาเดินมาทํานั่นทํานี่นะจิตใจมันก็ตื่นตัวขึ้นนะนะร่างกายก็กระปี้กระเป๋าขึ้นนะแต่นั้นเห็นนะว่าบางทีความอ่อนเพียความงัวเงียเนะี่ยมันก็ไม่ใช่จะแน่นอนเสมอไปหรอกนะเรามาทํำนั่นทนํานี่มันก็หลุดออกมาจากมันได้ นะเราค่อยหมัสังเกตนะตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนขึ้นมาแต่ถ้าเราขาดสติมากเนี่ยเราก็จะถูกมันครอบงำํำนะไม่อยากตื่นนะหรือจิตใจก็ยังงัวเงียอยู่แม้มาทําอย่างอื่นก็ยังงัวเงียอยู่อันนี้คือแสดงว่ากําลังสติมันอ่อน <c oughs> นะอันเนี้ยเราก็ดูตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ต่ขึ้นมาถ้าใครตื่นเช้านะก่อนมาทำวัดแล้วก็ปฏิบัติทมนะบนเตียงก็ได้นะวันที่นอนหรือว่าจะออกมาเดินนะที่ข้างนอกอเนะียก็เหมือนไปกันกวอมวอมอั p สติของเราให้มันให้มันเข้มแข็งขึ้นในั้งแต่ตอนเช้านะคืนนี้ถ้าเราอยู่ที่วัดเราก็มีเวลามาทำวัดเช้าแน่นอน แต่เวลาเราอยู่ที่บ้านนะถ้าเราถ้าเราทําแบบนี้ก็ดีนะตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติทำก่อนเลยนะเวลานั่งสร้างจังหวะก็ดีนะหรือเดินจงกรมก็ดีนะหรือถ้าบางวันมันก็เหนื่อยมากก่อนเพียนั่งสมาธิแตแต่ไม่ใช่นั่งนั่งให้มันหลับนะนั่งให้มันแบบจิตได้จิตใจได้พักผ่อนนะร่างกายได้ด เรียกว่าพักผ่อนนะแต่ก็เป็นการพักผ่อนที่มีสติรู้ตัวด้วยแบบนะี้ให้มันมีกำลังขึ้นมาด้วยก็ได้เหมือนกันนะหรือบางคนชอบสวดมนต์ไหว้พระนะเราก็สวดมนต์ไปด้วยนะดูร่างกายมันสวดมนต์นะดูจิตใจมันรู้สึกอย่างไรสดับไปรดับมานะไม่ใช่ว่าพยายามจะดูพร้อมกันนะเวลาเราดูกายดูใจเนี่ย ไม่ใช่เราจะพยายามจะดูให้มันพร้อมกันดูให้มันรู้ทั้งสองส่วนเท่าๆกันแต่เรารู้ส่วนหนึ่งเป็นหลักนะแต่ส่วนอื่นเราก็รู้แทรกเข้าไปด้วยนะคล้ายๆเหมือนเรามีงานนะมีงานประจาที่ทำนะแต่เราก็มีงานอดิเรกที่เราชอบนะที่เราสนใจด้วยนะ มันทำด้วยกันได้นะไม่จำเป็นว่านะวันนี้นะเราทำงานอันนี้ได้อย่างเดียวงานอื่นทำไม่ได้นะี่มันก็เหมือนกับเราทำงานนะเราก็ยังทากิจวัตรอย่างอื่นทำธุระอย่างอื่นหรือเรามีความสนใจอย่างอื่นเราก็ยังเอามาสอดแทรกในการมาอยู่ในชีวิตประจำวันได้นั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันนั่นแหละนะ เช่นเรามีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไว้เป็นหลักแต่มันก็จะรู้ตัวส่วนอื่นเข้ามาแทรกนะไม่ไม่จำเป็นว่าเช่นวันนี้หรือว่าปีนี้เดือนนี้นะเราจะรู้แต่อันนี้แหละนะเราจะรู้แต่กายอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่สนใจเลยนะนะที่จริงมัน การรู้แบบนี้อย่างเดียวมันก็จะเป็นการเหมือนไปบังคับเพราะที่จริงสติมันบังคับไม่ได้หรอกนะสติมันก็เป็นอนัตตาสติมันก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเราจะบังคับให้มันรู้อย่างเดียวนะมันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสติคือสิ่งใดเขาเด่นเขาก็จะรู้สิ่งนั้นสติก็คล้ายๆตาเราเนี่ยแหละนะ เวลาเราดูทีวีนะเราก็เห็นเห็นสิ่งที่มาแสดงในทีวีแต่พอมีคนเดินผ่านหน้าเราก็เห็นนะไม่ใช่ว่าเราจะไปไม่เห็นคนที่เดินผ่านหน้านะเราก็เห็นคนที่เดินตัดหน้าจอทีวีเราก็เห็นอืเขาผ่านไปแล้วก็ก็รู้ทันนะถ้าใจเราไปสนใจดูเขาเขาสวยเขาหล่อ เขาหน้าดำคาสมบัตินะเราก็หลงไปกับเขาละเ น, นแต่ถ้าเราแค่รู้เขาปานไปแล้วมันก็จบเราก็เห็นทีวีที่เราอยู่เฉพาะหน้าอยู่หรือเหมือนหูของเราเนี่ยแหละนะมันก็ได้ยินเสียงนะเสียงอาตมาพูดก็ได้ยินหรือบางทีได้ยินไหมเสียงโคกแม่ครัวก็ตาตั้งแต่ ทำอะไรตนะั้งแต่เช้านะเราก็ได้ยินนะนะแต่เรามีสงสัยไหมทําอะไรทําน้าพริกหรือเปล่าทําประทูหรือเปล่านั่นนี่หรือเปลามีไหมจิตนอกจากการได้ยินแล้จิตมันไปพรุงต่อหรือเปล่าอะไเนาะอืมแล้วก็มีสติรู้ทันอะไนั่นนะเนี่ยแต่เราอาจจะ ตั้งใจฟังที่ตรงนี้นะเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปส่งจิตมาอยู่ที่การฟัง 100% ซไม่งั้นมันจะเป็นสมาธินะคือสมาธิหลายๆอย่างมันก็ดีนะหลายคนก็อาศัยสมาธิดีในการเรียนเก่งหรือว่าบางคนก็มีสมาธิดีนะเวลาเราทำสิ่งที่เราชอบ แต่บางทีมันก็ไม่ใช่สมาธิที่ทำให้เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่มีสติมากํากับเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไปโฟกัสอย่างเดียวมากเกินไปถ้าเปรียบเทียบมันน ะ, ะเปรียบเทียบคล้ายๆเหมือนเหมือนคนที่เรียกว่ามีปัญหาทางพัฒนาการนิดนึงก็อย่างเช่นอันนี้เขาทางการแพทย์นะที่เขาจำแนกว่าอย่าง บางคนเป็นออทิสติกแบบเนีน้คือก็จะมีความสนใจอย่างหนึ่งนะคือก็มีลักษณะเด่นของเขานณะเวลามีสมาธิกับเรื่องนี้ก็แบบสนใจมากนะจดจ่อต่เรื่องนี้นะตลอดเลยนะแต่ถ้าเรื่องไหนไม่สนใจก็ไม่เอาเลยเ น, น, น, นะฉลาดนะเก่งนะแต่เป็นสมาธิมุ่งอย่างหนึง่ง แต่อย่างอื่นอาจจะลืมไปเลยไม่สนใจเลยไอ้แบบเนี้ยก็อาจจะทําให้เขาเก่งในด้านที่เขาสนใจแต่อาจจะขาดความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือว่าถ้าเจออะไรที่ไม่ถูกใจก็อาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ก็จะปฏิบัติทำยากอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่ได้นะแต่ถ้าค่อยๆฝึกไปก็มันก็น่าจะทําได้แต่นี้ นจะเป็นแค่ตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้นะแต่มันเหมือนคล้ายๆบางทีบางครั้งสมาธิมันมุ่งไปตรงนั้นแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้ตัวทั่วพร้อมเมืเราทําอะไรนะอย่างเราสวดมน์เหมือนนั่นนะเราเห็นกายเขาก็ดังสวดมน์เราก็ดังพูดนะสวดมน์อยู่นะแต่บางทีจ้ใจมันเผลอไปอ่ะเราก็เห็นใจมันเผลอไป หรือบางทีใจมันเพ่งในการสวดมนต์เกินไปนะล้วก็เห็นคือเห็นใจมันเห็นกายมันสวดมนต์ก็ดีหรือใจมันเห็นใจมันเพ่งเข้าไปก็ดีหรือใจมันเห็นใจที่มันเมื่อกี้มันเผลอออกไปก็ดีน่ะอันนี้คือเราสวดมนต์ด้วยสติเวลาเราพูดก็เหมือนกันนะถ้าเราพูดยังมีสติน่ยเราก็จะรู้ตัวได้น่ะ ร่างกายเ้านั่งหรือยืนเขาพูดอยู่เนะี่ยเราก็รู้สึกตัวแต่อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลานะแต่ก็จะรู้สึกอยู่ในขนาดนั้นๆบางครั้งเราหยุดพูดจิตใจก็รู้นะเห็นร่างกายเขานั่งกำลังหายใจเข้านั่งกายนั่งหายใจออกหือบางทีพูดนะบางทีก็คิดก่อนพูด มันก็รู้ว่าคิดอะไรก่อนที่จะพูดมันก็จะรู้ว่าสมควรพูดหรือไม่สมควรพูดนะมันไม่ใช่ว่าจะพูดทุกความคิดนะ <c oughs> ถ้าเรามีสติ น, นี่จะเห็นว่าบางความคิดมันมาก่อนแล้วก็พูดนะออกไปถ้ามันเป็นช่วงที่มันมีจังหวะหยุดอะไรแบบนี้นะหรือบางทีเราสนทนาบางทีก็เวลาเราฟังนะ ถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทําให้การฟังมันมันรอบครอบขึ้นนะแล้วก็ฟังด้วยปัจจากอคตินะหรือว่าอัคติก็น้อยแต่คนหลคนถ้าไม่มีสติในการฟังเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟังหรอกเวลาคุยกันเนี่ยมันจะคล้ายๆว่าเราก็คิดแต่เรื่องที่เราอยากจะพูดนะหรือเราก็สนใจฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะฟังนะ บางทีก็ฟังไปเนี่ยจับได้ในประโยคที่เราชอบนั่นแหละเนะี่ยประโยคที่ไม่ชอบก็ไม่สนใจเนะี่ยมันก็เป็นการฟังแบบเอาเอาชอบเอาไม่ชอบนะฟังแบบเอาถูกเอาผิดน ะ, ะบางทีคุยฟังแล้วจับผิดกันเลยนะสมมตินนะอือหรือพฟังแล้วตันนี้ก็เคิรมชอบตรง น, นี้ไปมันอยู่ที่อคตินะเวลาเรามีอคติเราจะเราจะฟังแบบ ไม่รอบครอบแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ฟังแบบรู้จริงๆฟังนีจริงเนี่ยเราจะเข้าใจเนื้อหาแต่อาจจะไม่ได้จำทุกคมพูดได้หรอกนะจับประเด็นที่เขาพูดได้รวมทั้งจับประเด็นความรู้สึกที่เขาต้องการสื่อสารได้ด้วยนะบางคนพูดเรื่องราวเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่จริงลึกๆความรู้สึกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ สิ่ที่ต้องการจริงๆอาจจะต้องการสื่ออารมณ์มากกว่าที่จะสื่อความหมายในคําพูดตรงนั้นถ้าเราฟังดีๆนะมันก็จะคือรู้จักทั้งเขาด้วยรู้จักทั้งเราด้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องนิ่งตลอดนะแต่ถ้าเราขณะที่เราฟังจิตใจมันรู้สึกอย่างไรนะโดยเฉพาะบางทีเราอยากจะพูดละ อยากจะพูดแทรกแล้วเคยไหมแบบคุยโทรศัพท์กันแล้วก็อืมคุยนานแล้วเธอนะฉันอยากจะพูดละก็แทรกเข้าไปเลยอย่างนี้นะเดี๋ยวคุยแล้วเบือ่อคุยแล้วมันแบบนี้นะคุยแล้วมันก็คุยยาวไปเลยคุยแล้วเบื่อก็ไม่อยากคุยเลยอันนี้คือการดูอารมณ์ของเราเองนะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดความมันไม่ได้เกิด ค, ความเบื่อไม่ได้นะแต่ถ้าเรารู้ทันเนมันจะ มันจะสงบลงมาเหมือนที่หลวงพ่อเขียนถ้าพูดไม่อวานว่ามันจะจืดตรงจืดตรงนะคือมันอารมณ์มันจะจืดตรงคือเขาว่าจืดคือสงบนั่นแหละนะสงบแต่ถ้าบางคนฟังแบบนี้แล้วบางทีอาจจะกลัวนะปฏิบัติธรรมว่าชีวิตมันจะจืดชืดหรือเปล่าไม่ใช่จืดชืดแบบไม่มีรสชาตินะแต่เขาว่าจืดตหลวงพ่อคือจืดคือ มันเป็นปกตินะมันมันไม่กระเพื่องไม่หวั่นไหวนะบางคนกลัวปฏิบัติธรรมมากๆชีวิตจะจืดนะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกนะแต่ถ้าเราดูดีๆนะครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีนะมีความสุขนะมีความสุขแต่ใจปกตนะิคือไม่ได้มีความสุขแบบแบบคนแบบคาดหวังนะ คือแม้บางคนเนี่ยโอ้นะีจะได้อะไรแล้วก็หวังก็มีความสุขได้เหมือนกันนะหวังเอาจินตนาการเอานะหรือพอได้แล้วก็ดีใจก็คืมีความสุขเหมือนแต่ผู้ที่มีสติเนี่ยคือมีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะแต่จิตใจก็ไม่ใช่ว่าไปติดในความสุขมันมีนะแต่ไม่ติดอะ่ะมันคือ เจือ น, นี่ไม่ใช่ว่าหน้าต้องเรียบอไม่ยิ้มไม่เศร้าอะไรแบบนี้นะอืมไม่หัวเราะหัวเราะก็ไม่ได้นะบางคนแบบมีใครนะ่าเคยถามนะเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติธรรมเนี่ยหัวเราะไม่ได้นะบางทีก็มีนะ <c oughs> ยิ้มนะ่ยิ้มก็ได้นะเออ่างนะหัวเราะก็ได้นะแต่ก็ไม่ใช่หัวเราะแบบหมดเนื้อหมดตัวนะ หมดเนื้อหมดตัวใช่ไหมเอ่อเอ่อเศร้าก็ไม่ใช่เศร้าหมดเนื้อหมดตัวนะคือมันมีสติเยอะนะบางครั้งมันก็มันก็แค่เป็นเป็นเรื่องกิริยานะสิ่งที่แสดงออกเป็นกิริยาหัวเราะก็เป็นกิริยายิ้มก็เป็นกิริยาหน้าบึ้งบ้างก็เป็นกิริยานะ หน้าโกรธบ้างบางทีก็เป็นกิริยานะคือบางทีเราทำงานนะบางทีงคนเป็นเจ้านายบางคนเป็นพ่อเป็นแม่นะ่ะมีคนที่เราต้องเกี่ยวข้องที่เขาทำผิดที่เราต้องสอนนะ่ะก็ไม่ใช่ว่าบางทีเราด่าไปยิ้มไปเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะก็ <c oughs> ต้องหน้าดุใช่ไหมก็ต้องแสดงนะแสดงบทบาทนะ่ะแสดงท่าที แต่ใจเราอะไม่มีอะไรหรอกนะพร้อมปล่อยพร้อมวางนะก็คือแสดงโดยหน้าที่แต่ใจก็ปล่อยวางไปด้วยแต่ก่อนจะแสดงนะต้องพร้อมเตรียมใจก่อนนะแต่ถ้าทั่วไปบางทีอะเราหลงไปแสดงก่อนนะแล้วค่อยมาเสียใจทีหลังใช่ไหม <c oughs> เคยไหมแบบเออลงไปด่าเขาก่อนแล้วค่อยมาเสียใจนะแสดงเต็มที่เลย ไม่ใช่คือสวมบทบาทเต็มที่นะพอสวมบทแล้วทำไมมันเหนื่อยแบบนี้ทำไมมันทุกข์แบบนี้นะมารู้ตัวทีหลังอันนั้นก็อ่รู้ตัวแล้วก็ไม่เป็นไรตั้งใหม่ตั้งสติใหม่แต่ถ้าบางคนรู้ทันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนะอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ชอบนะไม่ถูกต้องนะรู้ทันอารมณ์ของเราก่อนมาตั้งสติก่อนนะ กลับมารู้สึกตัวก่อนนะเพื่อให้กำลังสติมันไประ ง, งับอารมณ์ให้มันปกติก่อนนะ้วค่อยไปแสดงนะจะสอนก็สอนจะดุก็ดุนะจะเตือนก็เตือนนะนะมันจะทำให้เราเหมือนจะเรียกว่าเราเป็นนายนะเป็นนายของอารมณ์เป็นนายของคำพูดนะแสดงเสร็จก็จบนะแสดงเสร็จก็จบนะ ครูบาอาจารย์บางทีก็มีเหมือนกันนะเช่นบางทีเราได้ยินครูบาอาจารย์บางคนเนี่ยใจแบบบางคนก็ใจดีมากบางคนก็ดุมากก็มีนะทําไมบางคนก็ชอบครูบาอาจารย์ดุดนะเออมาอยากให้คนว่าอยากให้คนเตือนอยากให้คนด่าก็ดีนะเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าถ้าไม่ถูกเตือนไม่ถูกด่าก็ไม่ค่อยได้สติก็จะหลงไป แต่บางคนก็ถ้าอยู่แบบนั้นก็เครียดก็กังวลเกินไปมันก็ไม่เหมือนกันนะแล้วแต่จดิตของแต่ละคนะนั้นดีแล้วนะมีครูบาอาจารย์หลากหลายมีวิธีการหลากหลายก็เพื่อให้ถูกกับจดิตนิสัยของแต่ละคนหรือบางทีมันจดิตนิสัยเราก็ไม่แน่นอน น, นะบางครั้งบางช่วงมันลงมากไปถูกเคี่ยวบ้างก็ดีบางช่วงเคี่ยวมากเกินไป เครียดนะมาอยู่ในที่ผ่อนคลายบ้างก็ดีนะมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็ให้มันถูกกับจังหวะเวลาของเราเองนั่นเราสามารถดูได้นะอย่างเวลาเราฟังเทศเนะี่ยบางทีก็ไม่ให้ฟังเพื่อจะจําให้ได้นะหรือว่าจับประเด็นแบบถอดเป็นประเด็นทุกหรือว่าทุกตอนในแบบนี้ไม่จําเป็นนะ ฟังไปสบายๆเวลาเราฟังเทศนะสิ่งใดที่มันสะดุดนะมันจะมันจะขัดไปเองนะถ้าเหมือนคล้ายๆเวลาเราขัดไม้ไม้ส่วนใดที่เขามีเสี้ยนหรือเขาหยาบนะเขานูนขึ้นมาเนะี่ยเวลากระดาษทรายขัดไปเนะมันก็จะไปลบรอยเสี้ยนลบรอยหยากตรงนั้นไปตรงไหนที่เขาละเอียดแล้วนะมันก็ มันก็ผ่านไปเฉยๆเนะี่ยถ้าเราฟังทำก็เหมือนกันนะอืมฟังถ้าพอจับหลักในการปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจมากเกินไปฟังไปเล่นๆแล้วก็อสิ่งใดที่เขาที่เขาโดนกับใจที่เขาสะดุดเนะ่ะจิตมันก็จะรับรู้ไปเองสิ่งใดไม่เข้าใจก็ผ่านไปเลยนะไม่เป็นไรนะเราไม่ได้ฟัง ฟังเทศแบบจะเอาไปสอบนะใช่ไหมไม่ใช่ไปจำเทศวันนี้นะถ้ามีคนถามต้องตอบแบบนี้นะไม่ใช่เหมือนเราเรียนเพื่อจะจำเอาไปสอบแต่ฟังไปด้วยปฏิบัตินะปไปด้วยนะคาว่าปฏิบัติไปด้วยเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องยกมือไปด้วยก็ได้นะแต่บางคนอยากจะยกก็ได้นะแต่ฟังแล้วก็ดูดูความรู้สึกของเราไปด้วยขณะที่ฟังเนี่ะนั่นแหละคือการปฏิบททัติธรรมนะ คนสมัยพุทธกาลนะทำไมพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมแล้วก็มันรู้ทำตามนะเข้าใจธรรมะตามเพราะว่าเขาฟังไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยแบบนี้แหละเนะี่คือมันมีสภาวะเกิดขึ้นในใจนยะพระพุทธองค์ก็เหมือนพูดแล้วก็เห็นภาพตามไปด้วยรู้ตามไปด้วยนะมันรู้สึกไปด้วยก็ปล่อยไปด้วยเลย เห็นความยึดติดเห็นความทุกข์ขนาดนั้นก็ปล่อยไปขนาดนั้นเลยฟังไปด้วยเห็นสภาวะไปด้วยปล่อยไปด้ว ย, ย น, นีคือคือไม่ได้ฟังแบบฟังแล้วเพิ่มนะแต่ก็มีบางคนฟัง พ, พุทธเจ้าเสียงท่านไพเราะทนะ่าทางท่านมีสง่าราศีนะหรือบางคนฟังไปก็คิด อ, อยากให้แม่ได้มาฟังด้วยอยากให้พ่อได้มาฟังด้วย อยากให้ลูกมาฟังด้วยไอ้เ น, นี้ยคือหลงนะเนี่ยคือเราเองมีไหมบางทีฟังธทำปฏิบัติธรรมนะบางทีเราก็คิดถึงคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยนะอยากให้เขามาฟังด้วยอยากให้เขามาปฏิบัติด้วยเนะี้ยนี้ยนี่ก็มันเป็นความคิดนะแม้คิดดีนะแต่มันก็ยังหลงนะ ถ้ารู้ว่ามันคิดก็วางไว้ก่อนออวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปวางแผนออวางคนอุบายกนะลับไปที่บ้านจะไปชักชวนออคนที่เรารักคนที่เราผูกพันอย่างไรให้เขามาสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยนะนะบางทีนะวันก่อนใกล้จะกลับนะก็อย่าไปวางแผนมากนะบางทีไม่ได้เป็นอย่างแผนที่เราทำหรอกนะ แต่มันก็ทำให้เราเสียเวลานะคนจะกลับวันนี้ก็ดีนะคนจะกลับพรุ่งนี้ก็ดีนะนะบางทีมันยังไม่ถึงนะเวลาที่จะกลับก็อย่าเพิ่งเอาใจกลับไปก่อนนะใจบางทีมันไปก่อนเลยมันไปกลับบ้านก่อนเรากลับไปทำงานก่อนเรานะไปคิดวางแผนซะเยอะแยะมากมาย แต่บางทีเราก็ห้ามไม่ได้นะแต่เราก็ฝึกให้มันรู้ทันนะบางทีมันเป็นอารมณ์สภาวะแบบนี้แหละจะได้กลับบ้านก็ดีใจจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างนะอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีแต่เดินกับนั่ง <c oughs> กับกินนะไปบินทบบาทนะไเยออไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สังเกตไหมชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้นะไม่ได้มีแสงสีเสียงอะไร เราก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านโหเราต้องดิ้นดนมากไปร้านกาแฟสักหน่อยนะไปห้างสักหน่อยไปตลาดสักหน่อยนะถ้ามีเง้นชีวิตมันมันจืดเกินไปไม่มีสีสันนะแต่สังเกตไหมเราอยู่แบบนี้มันชีวิตมันถูกกระตุ้นน้อยลงเนะี่ยจิตใจมันก็มีความสงบมากขึ้นใช่ไหม บางคนมาปฏิบัติใหม่ๆอาจจะอยู่ยากไม่เคยอยู่กับตัวเองนานๆแบบนี้สักทีเออแต่พออยู่ไปเรื่อยเออมันก็อยู่ได้นะใช่ไหมเออบางครั้งก็ง่วงบางครั้งก็เบื่อแต่ก็ทําไปเรื่อยนะ อ, อืกลับมารู้ตัวไปบ่อยเอะมันก็ผ่านไปได้นะออวันหนึ่งนะออมันก็ผ่านไปเร็วเร็วนะ่ะเร็วจนใกล้จะได้กลับแล้วนะันนะแต่ตอนมาใหม่ๆโอ้อีกต้อง เจแปดวันเลยนมะแต่พอจะกลับแล้วเดห๋ือแค่วันเดียวเองเหรอบางคนก็ไม่อยากกลับบางคนก็อยากกลับเนะีนะ่ยเราก็ดูความรู้สึกเนะี่ยที่มันเกิดขึ้นนะความรู้สึกมันมันเป็นความปรุงแต่งขึ้นมาแต่ก็ให้เรารู้ทันนะไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่ปรุงแต่งแต่ให้เห็นว่ามันปรุงของมันเองนะ ไอ้ที่มันคิดเนะ่ยมันคิดของมันเองนะอันนี้คือสภาวะที่เรียกว่ามันบังคับมันชาไม่ได้นะไอ้ความคิดเนี่ยแหละอารมณ์เนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้นะมันเกิดของมันเองเราก็เห็นมันออเนี่ยคือเราก็จะค่อยเรียนรู้ว่าอ้อสภาวะอนัตตาเป็นแบบนี้นะอนัตตาเนี่ยไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีตัวตนคือว่างแบบ อะไรอ่ะเป็นศูนย์ตามว่างเปล่าอะไรเลยนะคือแบบนี้แหละคือมันมีเหตุให้เกิดไม่ใช่ว่ามันเกิดเพราะเราอยากให้มันเกิดถ้าจิตมันบังคับได้นะเอ อ, เ อ, อนายโยมบังคับให้มีความสุขตอนนี้ได้ไหมออบังคับให้ร้องไห้ตอนนี้ได้ไหม บังคับให้เศร้าได้ไหมเนี่ยลองทําดิทําได้ไหมมันไม่ใช่เราไม่ได้เก่งเหมือนดาราลนะาครนะบังคับให้ร้องไห้ได้บังคับให้หยุดร้องไห้ได้เอใช่ไหมจิตใจมันเองมันก็บังคับไม่ได้แบบนั้นนะเอแต่ดาราเองเขาต้องจินตนาการนะเขามีเรื่องเขาจินตนาการเก่งจินตนาการเก่งก็ มีน้ำตามีบทบาทเข้าไปได้เก่งนะแต่ที่จริงจิตอะมันบังคับไม่ได้นะแต่แม้แต่มาว่าแม้แต่คนแสดงเก่งขนาดไหนบางทีมันก็ไม่อินทุกครั้งหรอกเพราะจิตมันบังคับไม่ได้จริงนะแต่บางทีเราก็เหมือนมีเจตนาเข้าไปทําบางสิ่งบางอย่างได้แต่มันก็คือมันมีเงื่อนไขนะถ้ามันถูกจังหวะนะครัถูถถก อารมณ์มันก็ทำได้แต่ถ้ามันไม่ถูกมันก็ทำไม่ได้พอเราเห็นเนะี่ยถ้าเราเห็นเลเพราะ เ, เวลาเราปฏิบัติทำนะไม่ได้ตั้งใจจะคิดนะมันก็หาเรื่องไปคิดนะพอเวลาตั้งใจคิดบางทีก็คิดไม่ออกหนะเออเนี่ยแหละมันบังคับไม่ได้นะมันเอาแน่อยนลอยไม่ได้พอเราเห็นขนาดจิตใจนะที่มันเป็นมียังมีความรู้สึกว่าเป็นเรา ยังบังคับไม่ได้ไงนะจิตใจคนอื่นเนี่ยเราบังคับได้เหรอนะบางทีเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะใช่ไหมบางทีเราก็คาดหวังว่าเขาจะต้องเปลี่ยนให้ดีกว่านี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อแล้วทำไมเราถึงทุกข์อ้อเราอยากจะคาดหวังหรือบังคับให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการนี่เองแต่เขาจริงจริงพอเรามาปฏิบรรัติธทมพอเราได้คําตอบที่ตัวเราเองเออ ะจิตใจเราเองนี่เราก็ยังบังคับไม่ได้เลยนะเพราะที่จริงมันก็ไม่ใช่จิตใจของเรานะมันมีอะไรกระตุ้นเรามันมีการพรุงแต่งของมันเองนะจิตมันคิดของมันเองจิตมันชอบของมันเองจิตมันช่างของมันเองนะรู้สึกไหมบางทีเราเห็นคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกเอยคนนี้ทําไมถูกเช็ตาคนนี้ทําไมเหม็นขี้หน้านะบางทีก็ มันเกิดของมันเองนะหรือของบางอย่างเคยชอบตอนนี้ก็จืดไปแล้วใช่ไหมเพลงนี้เคยฟังแล้วชอบโอ้ตอนนี้มันล้าสมัยละเอไม่ชอบแล้เนะอาหารนี้เคยกินแล้วชอบตอนนี้กินแล้วก็จืดนะนะลองสังเกตเดี๋ก็ได้สิ่งที่เรากินเข้าไปในแต่ละมือนะนะบางแต่ละคำรสชาติเนะ ก็อาจจะใกล้เคียงกันนะแต่ความรู้สึกในการให้คุณค่าของเราบางทีไม่เหมือนกันสัง <c oughs> เกตไหมตอนเราไปชิมอะไรสักอย่างนะมันจะรู้สึกอร่อยมันจะรู้สึกมันส่วนใหญ่นะคือเพราะเราตั้งใจรับรู้ใส่ใจในรสชาตินะเราก็จะรู้สึกเออมันเข้าท่ามอร่อยแล้วเราก็ซื้อพอเราซื้อมาครันี้ ถ้าเราเครียดเราก็มากินมันก็ไม่ค่อยอร่อยหรอกนะเพราะเราใจไม่อยู่กับการกินนะหรือถ้ากินเยอะ <ๆ S 1> ไปก็จากที่มีรสชาติมากก็เริ่มเฉยเฉยกันมาละนี่คือจิตใจมันแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะมันไม่แน่นอนหรอกนะผัสสะที่กระทบคล้ายๆกันแต่การตีความหรือความรู้สึกบางทีมันก็แตกต่างกัน อันนี้คือแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นคนที่เราเคยรักมากนะจนเป็นแฟนกันจนแต่งงานกันจนมีลูกนะจนถึงวันนี้นะรู้สึกไหมอ ม, มันก็มีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนคนเดิมนั่นแหละนะแต่วันนั้นกับวันนี้นะมันก็มีความรู้สึกไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคือหรือแม้แต่ บางคนมีลูกนะบางวันก็รักลูกไม่เหมือนกันนะบางวันเขาดีนะเราก็รักมากบางวันเขาดือ้อเราก็ก็รักอยู่นะแต่โกรธไม่พอใจนะบางวันเขาลงทิศผิดทางไปนะก็ห่วงนะรักแบบห่วงนะมันยังมีตั้งหระดายแบบนะที่ไม่เหมือนกันบางทีเรารู้สึกเขาดูแลแตัวเองได้เราก็สบายใจนะ ก็รักอยู่แต่ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไรละไม่ห่วงกังวลเท่าไรละเนี่ยคือความรู้สึกมันก็มันเปลี่ยนไปนะคือปัญญามันจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อ น, นั่นแหละค่อยๆเห็นใตรักของรูปของนามโดยเฉพาะอาการที่มาแสดงทางจิตเนี่ยมาแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นบ่อยแสดงความไม่ใช่ตัวตนบังคับมัญชาไม่ได้นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่ไม่ใช่ว่าเราพยายามจะไปคิดหาความเข้าใจหาเหตุผลหาตักกะหาบางทีเราก็จะหาแบบคล้ายๆเหมือนหาสูตรเนาะหาสูตรอธิบายให้มันได้เนี้ยไม่ต้องนะไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับความคิดไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับอารมณ์ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลกับความถูกความผิดอะไรเลยเราแค่รู้ว่ามาเป็นแบบนี้ รู้ว่าเป็นแบบนี้จบละแต่ถ้าพอมันรู้แล้วบางทีมันไม่จบมันเกิดความไม่น่าเลยนะไม่ชอบนะก็ให้เรารู้ทันใจที่มันรู้สึกอย่างนั้นหรือบางอย่างก็ยังชอบเข้าไปอยากคิดต่อก็ให้รู้ทันมันรู้ทันมันตรงนั้นนี่คือรู้แค่นี้แหละคือเรียกว่าเป็นสติปัฐานแล้ว ไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าทำไมเราถึงคิดเรื่องนี้นะน่ะไแบบเนี้ยไม่ต้องไปหาเหตุหาผลทำไมเห็นหน้าคนนี้เราถึงชอบไปคิดว่าอ๋อมันอาจจะเป็นกรรมบุรเรียกว่า บ, บุตเพนิวาสาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางทีไปคิดมากนะ เ, เหมือนบางคนป่วยแล้วก็มีคนทักว่า ทำกรรมอย่างงั้นอย่างนี้ต้องไปแก้กรรมอย่างงั้นอย่างงี้นะก็ไปเชื่อไปสมด์นะคนทักเขาก็อาจจะเดาเอาก็ได้ออื <c oughs> คนที่จะรู้กรรมของคนอื่นจริงจริงมาว่ามีน้อยมากนะแต่ก็ทักแบบอนุมานเอานะอนุมานเดาเอาแต่คนไม่มีที่พึ่งก็จะเชื่อง่ายเชื่อแล้วก็ออืเราคงทำแบบนั้นจริงนะต้องไปแก้อย่างงั้นจริงเลยนะที่จริงนะกรรมเก่าเนี่ย มันแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันทําไปแล้วมันผ่านไปแล้วเนะี่ยคล้ายๆกับอาหารมันกินไปแล้วเนะี่ยเคี้ยวไปแล้วย่อยไปแล้วเนะี่ยเราจะเอาอาหารผ่าท้องออกมามันก็ไม่ใช่อาหารเหมือนที่อยู่ในจานนะจะมาแก้เนะี่ยมาแยกออกไม่ได้หรอกนะกรรมเก่ามันแก้ไม่ได้นะมันทําได้แต่กรรมใหม่เนะี่ยมีแต่ว่าเราจะทํากรรมใหม่ด้านไหนเนะ เพื่อแก้ไขสิ่งที่มันบกพร่องไปใช่ไหมเหมือนเราเดินแล้วผิดทางนะเรารู้ว่ามันผิดทางเออเราก็หาทางให้มันถูกใช่ไหมอันนี้คือทำกรรมใหม่นะกรรมใหม่นี้ทาได้ทั้งสองทางนะอย่างหนึ่งก็เป็นเรียกว่าทางกายทางวาจาอีกทางหนึ่งก็เป็นทางใจเรียกว่าทำทางรูปหรือทางนามนะ ทำทางใจเนี่ยเราทำได้ทันทีแก้ได้ทันทีเวลามันหลงเราเปลี่ยนเป็นรู้นะเวลามันทุกเราเปลี่ยนเป็นไม่ทุกเนี่ยทำได้ทันทีนะแต่ทางกายนยทางวาจาเนี่ยบางทีก็ต้องแก้ไขแล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นโรคเป็นเป็นโรคไฟแข้เจ็บก็ต้องค่อยๆดูแลรักษาไปบางโรค ก, กินยาวันสองวันหายบางโรครักษาเป็นปีไนะไน เราก็ทำไปนะปัญหาทางโลกก็เหมือนกันต่อแก้ปัญหาที่ใจก่อนให้มันไม่ทุกข์นะให้มันไม่เครียดนะแก้กลับมาด้วยการมีสตินี่แหละแต่ปัญหาทางโลกก็ต้องค่คอยๆแก้ไปบางอย่างก็แก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้นะแก้ได้ก็ไม่เป็นทุกข์แก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกขนะ์ไม่จำเป็นว่าต้องแก้ได้ก่อนถึงจะไม่เป็นทุกขนะ์ไม่เป็นทุกข์ก่อน แล้วใจที่ไม่เป็นทุกข์ละไปแก้ปัญหานะดีมากนะมันก็ใจไม่เป็นไรนะเสร็จก็ไม่เป็นไรไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรคือไม่ทํานะไม่เสร็จก็ไม่ทำไม่ไม่ใช่นะแต่มันจะรู้สึกว่ามันก็เสร็จทุกวันจบทุกวันนะเหมือนหลวงพ่อพุทธทาสน้นสร้างโบสถ์มีคนสร้างศาลามีคนมาถามหลวงพ่อสร้างศาลา ธรรมนาวาเสร็จได้ยางเนก็เสร็จทุกวันนะเพราะความรู้สึกของท่านคือท่านก็ทํากิจเสร็จทุกวันเราเองนั้นนะก็ปฏิบัติธรรมก็เสร็จทุกวันนะนอรู้สึกตัวหนึ่งขณะเนี่ยก็ทํากิจสมบูรณ์แล้วนะสังเกตไหมเวลาเรารู้สึกตัวหนึ่งขณะเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้กายก็ดีรู้ใจก็ดีนะพอรู้แล้วนะจิตก็หลุดออกจากความคิด จิตก็ตื่นขึ้นมาจิตก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเนี่ยเราก็สมบูรณ์ในกิจหนึ่งขณะแล้วนะจะเรียกว่าเมื่อร่ที่รู้ทุกข์นะเมื่อนั้นก็ไม่ทุกข์นะแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นการตัดสังโยชน์นแต่มันเป็นการเรีว่าสะสมปัญญาทีละขณะเมือเรากินข้าวทีละคเนี่แหละมันก็อิ่มทีลขณะทีละขณะ แต่อาจจะต้องกินหมดจานก่อนมันค่อยอิ่มอะไรอย่างเนี้ยแต่ก็การกินข้าวคำแรกคำที่สองกินไปเรื่อยเนี่ยมันก็ถูกของมันละเราจะไปหวังกินข้าวคำสุดท้ายแล้วอิ่มก็ไม่ใช่นะใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าข้าวคำสุดท้ายหรือว่าเพราะน้ำเนี่ยแต่เออมันทําให้เราอิ่มไม่ใช่นะถ้าไม่กินข้าวกินแต่น้ําก็ไม่อิ่มนะใช่ไห ม, มไม่ใช่น้ําทําให้เราอิ่มแต่เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยขึ้นมา มันถึงสิ้นทุกไปแต่จริงเพราะว่าเราสะสมเหตุปัจจัยในการรู้สึกตัวทีละขณะทีลขณะนี่แหละมันสมบูรณ์ละในตัวของมันแต่มันก็อาศัยสะสมไปเรื่อยจะเดินไปเรื่อยนะภาวนาเนี่ยคือเรียกว่าเป็นการจะเดินให้มากนะจะเดินอะไรจะเดินสติปัญญาเนี่ยแหละให้มากนะ มันก็จะจะเดินตัวรูนะ้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวหลงมันก็น้อยของมันเองนะฮะไม่ต้องทําอะไรกับตัวหลงเมื่อตัวรู้มันมากขึ้นตัวหลงมันก็สั้นลงตัวหลงมันก็น้อยลงนะคล้ายๆเหมือนกับเราเติมน้ําลงไปในแก้วนะแต่ก่อนแก้วมันว่างนะถ้าเปรียบเหมือนความอากาศหรือช่องว่างเปรียบเหมือนตัวหลงนะแก้วมันก็ว่างนะพอเราเติมน้ําลงไปนะ น้ำก็แทนที่ที่ว่างในแก้วนะมันก็เต็มเข้ามาใช่ไหนี่แหละพื้นที่ในจิตใจก็เหมือนกันที่อวิชชาอาวิชชาบางทีเราแปลว่าความไม่รู้เนี่ยบางทีมันเหมือนไม่รู้แบบว่างแบบไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะแต่อวิชชาชื่อมันรู้ผิดนะมันสำคัญผิดนะมันคิดว่าเนะนี่ยกายเนี่ยเป็นเราใจนี้เป็นเรา ไอ น, นี้ก็เป็นของเราจริงๆนะไอ น, นี้ลูกเราผัวเราเมียเรานะพอมันหายไปพอไปแล้วเนี่ยนะมันก็แสดงเห็นไม่ใช่เราใช่อืมอืมแต่จริงไอความสำคัญที่มันติดมากคือกายกับใจนี่แหละนะมันสำคัญว่าเป็นเป็นเราเป็นของของเราแต่จริงเราปฏิวัติธรรมเราเห็นนะอย่างที่บอกว่าใจเป็นของเราเหรอเนี่ยทำไมมันก็บังคับไม่ได้นิว่านะ จะให้ชอบให้ชังมันก็บังคับไม่ได้นะ่ะจะให้มันไม่คิดมันก็บังคับไม่ได้นะ่ะนั่นนี่ก็เห็นออมันก็จะค่อ ย, ค, อยค่อยสอนอมันเป็นใจมันเป็นอาการนะมันไม่ใช่ของเรารูปก็เหมือนกันนะมันก็ไปในความไม่ความเสื่อมไปเรื่อยรูปบางคนเนะ่ะแกป่วยเจ็บทุกเนี่ย เราก็เห็นไปเรื่อยนะเห็นไปมันเห็นจนมันอิ่ม่ะโอ้มันเป็นทุกข์มันไม่น่าเอามันก็คลายความยึดนะวางออกไปได้นะเนี่ยคือเห็นบ่อยๆนะเห็นแบบนี้นะมันทําให้เห็นแล้วมันถอนความยึดมั่นถือมั่นได้ในจิตใจเนาะนี่คือปฏิบัติธรรมมันเห็นแบบนี้นะไม่ใช่ไปเห็นแสงเห็นสีเห็นอะไรแปลกๆนิมิตนั่นนี่นะ คือเห็นกิเลสที่มันแสดงขึ้นมาเห็นนะความไม่เที่ยงที่มันเกิดขึ้นมาเห็นความไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเห็นจนทั้งรู้สึกว่ากายใจมันเป็นทุกข์มันปล่อยวางนะตัวทุกข์นี้นะจิตก็เป็นอิสระจิตก็พ้นทุกข์เนะี่ยมีแต่การที่เราเห็นไปเรื่อยๆจนทั้งมันเกิดความเข้าใจ แล้วใจมันก็ปล่อยของมันเองนะก็ฝากไว้